เลือกคู่อย่างไรเลือกใจอย่างนั้นคาในหัวของคุณต่างไปเรื่อยๆแปรไปตามคนที่อยู่ตรงหน้าใครบางคนแกล้งคุณเอาสนุกในหัวคุณอาจคิดว่าเขาแค่หยอกเล่นขณะที่ใครอีกคนทำเหมือนกันเปรียบในหัวคุณอาจคิดว่าเขาก่วนตีนก็ได้ เพียงแค่ภาษาในหัวก็เป็นตัวกำหนดได้ว่ากรรมทางความคิดมีความหยาบหรือประณีตและนั่นก็หมายความว่าอยู่กับใครที่ทําให้คุณเกิดความมันไส้หรือหงุดหงิดบ่อยๆแนวโน้มคือคุณจะมีกรรมทางความคิดหยาบขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่กับใครที่ทําให้รู้สึกดีหรือมีความสงบใจนานๆแนวโน้ม คือคุณจะมีกรรมทางความคิดประนีตขึ้นทุกทีระดับความรู้สึกนับถือระดับความนึกอยากให้เกียรติเป็นตัวปราสำคัญให้ภาษาในหัวหยาบหรือประนีตภาษาในหัวนั่นเองผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทั้งการใช้สายตาท่าทางและวิธีพูด ภาษายิ่งหยาบในหัวยิ่งฟุ้งซ่านจิตใจยิ่งรา้ายภาษายิ่งประนีตในหัวยิ่งสงบจิตใจยิ่งดีเมื่อจะต้องเลือกคู่แต่ละคนมักอยากเลือกคนที่คบแล้วรู้สึกว่าเส้นทางกรรมของตนจะไม่ต้องเปลี่ยนมากนักยิ่งเป็นตัวตนเดิม หรือใกล้เคียงตัวตนเดิมมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างที่เรียกว่าจะได้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละถ้าว่าในความเป็นจริงคนที่ลงตัวขนาดให้อยากสละโสดนั้นมักไม่ใช่คนที่ทำให้รู้สึกเท่าเดิมโชคดีก็ได้คนที่ปรุงภาษาในหัวให้ประนีตขึ้นโชคร้ายก็ได้คนที่ปรุงภาษาในหัวให้หยาบลงดังนั้น สำหรับคนส่วนใหญ่เลือกคู่เป็นใครก็คือเลือกใจที่แตกต่างให้ตนเองตามนั้นจุดสังเกตง่ายๆถึงแม้ปากจะพูดจาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่คุณอาจรู้สึกได้ว่าภาษาในหัวต่างไปมากหลังจากเอาตัวไปอยู่กับใครคนหนึ่งนานๆอากภาษาในหัวของคุณคงเดิม คุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเท่าไหร่หากภาษาในหัวของคุณดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นหากภาษาในหัวของคุณแย่ลงคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางแย่ลงตรงไปตรงมาแค่นี้ภาษาในหัวเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่คนเดียวตอบตัวเองได้อยู่คนเดียวว่าโดยมาก มีความหยาบหรือประนีตถ้าไม่ถามตัวเองบางทีคุณจะไม่ย้อนมาสังเกตเลยว่าหลังจากคบใครหรืออยู่กับใครสักคนแล้วใจตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงแค่ไหนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในชีวิตเปลี่ยนใจเท่ากับเปลี่ยนชีวิตใจจึงน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดเมื่อจะต้องชั่งน้าหนัก ช่งใจในการเลือกคู่แต่ข้อเท็จจริงก็คือคนส่วนใหญ่ถูกบีบให้คำนึงถึงตัวปลาอื่นก่อนซึ่งนั่นก็เท่ากับต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเลือกใครมาเป็นคู่แล้วจะได้ใจใหม่ให้ตัวเองแบบไหน สวยขึ้นเท่าไรยิ่งเข้าใจตัวเองยากขึ้นเท่านั้นความสวยที่เกินเกินมักมากับชีวิตที่ผิดธรรมชาติบางทีเหมือนมีอภิสิทธิ์ติด ต, ต, ตัวมาไปไหนใครก็สร้างความเคยชินผิดผิดให้ยังไม่ทันทำดี ก็มีคนให้คะแนนก่อนอยังไม่ต้องเอาใจใครก็มีคนมาเอาใจกันยังไม่ทันพูดสักคำก็มีคนหลงรักแล้วโลกถูกครอบงำอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลความรู้สึกหลงรักยิ่งมากขึ้นเท่าใดพฤติกรรมผิดปกติยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่ง ถูกห้อมล้อมด้วยพฤติกรรมผิดปกติของผู้ชายและหลายคนเธอจะค่อยๆสะสมวิธีคิดที่ผิดปกติขึ้นมาด้วยจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามหลายคนรู้สึกทีเดียวว่าความผิดธรรมชาติบางอย่างนั้นเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนไว้ในตนเพราะแรงอัดของบางสิ่งที่ผิดธรรมดา มากมาในรูปของโทสะแปลกๆบ้างความหลงตัวเกินๆบ้างความหลงคิดเพี้ยนเพียบ้างสับสนระหว่างรักกับเกลียดบ้างไม่รู้ว่าอยากเข้าหาหรือวิ่งหนีใครบ้างจะสวยเกินๆสวยธรรมดาหรือไม่สวยเลยถ้ารู้สึกถึงความงดงามทางอารมณ์ ชีวิตก็มีความสุขขึ้นกว่าเดิมได้ความงดงามทางอารมณ์ใช้ลิปสติกเสริมไม่ได้ใช้ยาฉีด ช, ช่วยไม่ได้ใช้มีดหมอแต่งไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวคือมุมมองแทนการจ้องออกข้างนอกรอดูว่าใครจะสะดุดตาหลงมองตนบ้าง เปลี่ยนเป็นสังเกตข้างในเห็นว่าเมื่อใดหลงคิดผิดปกติบ้างความฟุ้งซ่านอยากเอาโน่นเอานี้ความขุ่นข้องหมองใจไม่เลิกลาความอยากมีใบหน้าสะดุดตาคนสิ่งเหล่านี้ยิ่งรู้สึกได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นเป็นสิ่งตรงข้ามกับความงดงามทางอารมณ์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งรู้ เห็นความผิดปกติทางอารมณ์มากขึ้นความผิดปกติยิ่งถูกมองโดยความเป็นทุกข์ยิ่งรู้สึกว่าเป็นทุกข์จะยิ่งไม่อยากห่วงไว้ความสุขความนิ่มนวลทางอารมณ์จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองทีละน้อยเหมือนเกลียวเครียดที่ซ่อนอยู่คลายตัวลงกระทั่งรู้สึกชัดอยู่กับใจตนว่าความงดงามทางอารมณ์ เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าติดใจกว่าความสวยงามทางกายมากนะัก